ท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนีสนทนากลับมาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะในช่วงที่สองซึ่งดิฉันสันสนีนาคงเป็นผู้ดำเนินรายการเราก็มีพระมาชาคาวโรวัฒนาปะคงลำลูกกาคลองสิได้พูดผู้ทวจะนะให้ท่านฟังไปในช่วงแรกตอนนี้เราก็กำลังจะพบ ก, กับพระเพรบุญภิบุญโนนะคะจากวัดปารอนไโซอุดรธานีซึ่งจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิด ดยพุทธวจนะให้กับพวกเราค่ะกลาวนรัสการ์ท่านคะเชิญพอนในตั้งแต่ตอนแรกที่ท่านมาได้พานํานั่งสมาธิมาอท่านมาได้พูดถึงเรื่องของความเพียรก็เลยจะขอพูดเรื่องนี้สัหน่อยหนึ่งนะในเรื่องของความเพียรว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ำมากคือในธรรมะในเนี้ยคาสอ ง, องพระเจ้านียนะเหมาะกับคนที่ปรารูความเพียร น, นะไม่ได้เหมาะกับคนที่ เที่ยวขอเที่ยวหวังโดยอะไรที่ไม่สร้างเหตุในอันนี้ต้องประกาศให้ทราบไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีความเพียรคุณจะได้คุณจะทำอะไรที่ลึกซึง้งยิ่งขึ้นไปแน่นอนเนาะในเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างยืนยันเยอะแยะเลยตั้งแต่ตัวพระองค์เองใ น, นสมัยที่ยังเป็นบริษัทยอยู่ไม่ใช่แค่ชาติที่เป็นเจ้าชายสินสถานนี้เท่านั้นยังรวมชาติก่อนชาติก่อนแล้วก็ชาติก่อนก่อนนู่นอีก เราสาวกทั้งหลายได้เคยเล่าประวัติต่างๆให้ฟังมาถึงในสาวกในยุค ป, ปัจจุบันครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ผ่านความเพียนอะไรต่างๆมานะจนกระทั่งรู้เห็นธรรมที่มันลึกซึ้งยิ่งๆเกินไปเนี่ยโอ้ยมันมีมันเป็นคือคือค อ, อะไรที่เราใส่ความเพียนเข้าไปคุณสัญญ น, นีมันมีคุณค่ามากนะมันมีคุณค่ากว่าเราได้มาฟรีๆนะใช่อืมอ่าอย่างเอาอย่างอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกคุณยมติว นะเมื่อคุณคุณอยู่ข้างบ น, บ, นบ้านในบ้านธรรมดาเราไม่รู้สึกเห็นคุณค่าของอากาศเลยแล้วนะจนกระทั่งว่าคุณลงไปในใต้ใน้ําเนี่ยโอ้โหเขาต้องใส่ถังออกซิเจนอย่างดีหรือในสถานการณ์ที่มันมีอากาศจํากัดเนี่ยโอ้เราเห็นคุณค่าของอากาศมากนั้นเพราะว่าเราพยายามที่จะสแสวงห า, ามันเช่นเดียวกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งธรรมะเป็นต้นเนี่ยเราพยายามที่จะสแสวงหาเราพยายามที่ทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นเลยจะมีคุณค่ามากเพราะว่าเราใส่ความเปลี่ยนเข้าไปเพราะนั้นท่านมาร์กจึงได้พูดถึงเรื่องนี้เพื่อที่จะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ่งวา เอ้ในธรรมะในนี้นะเราห่างจากความเพียรไม่ได้นะเราจะต้องมีกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็จึงต้องบอกท่านฟังว่าเออตื่นเช้าๆมาเนี่ยดีแล้วนะเราได้มาทําความเพียรอย่างน้อยเราตื่นก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นนะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็เป็นแสดงถึงการที่เรามีความเพียรคนอื่นยังหลับไหลอ ย, อยู่เราลุกขึ้นละอย่างเงี้ยถูกต้อ ง, <ช>องละอืมแตกต่างที่ความเพียรมนุษย์มีอืม แล้วก็อย่างในความเพี่รของอาตมานะอยาสมมติว่าอาตมามาบวชในธรรมะวัไหนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ ใ, ในความรู้สึกของเรามันเหมือนแค่เปลี่ยนบริษัททํางานจากบริษัทนี้มาเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะด้วยลักษณะว่เาเครื่องแบบเปลี่ยนไปนะกฎระเบียบเปลี่ยนไปบ้างนะแล้วก็เงินเดือนนี่ตามความเพียรของคุณนะถ้าคุณใส่ความเพียรมากคุณได้เงินเดือนมากเงินเดือนในที่นี้คือความที่จิตสงบจิตสงบก็คือการที่เรามีเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาบ้างอย่างเงี้ยนะ อ่ะแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งนี่ก็เป็นไปตามปภาษาอยู่แล้วเนาะอ่า ม, มันก็คิดดูอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออความเพียรของเราทําให้เรามีเงินเดือนมากขึ้นเงินเดือนก็คือความสุขที่อยู่ในใจของเรานั่นเองคือถ้าที่ในแง่ของคนทํางานนะคะที่ฉันเข้าใจว่าคนที่จะทํางานอยู่ในที่ใดได้นานๆเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกว่าพึงพอใจกับงานที่ทําคือทอําแล้วอ่าพึงพอใจในหลายด้านนะครับบางที่ก็อาจจะพึงพอใจว่าที่นี่เงินเดือนดีตัวงานไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรอก แตบางคบอกว่าที่นี่เงินเดินไม่มากหรอกแต่ว่างานเนี่ยมันมีคุณค่านะได้ช่วยคนสมมตินะคะอืมใช่หรือบางทีก็บอกว่าเองานก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าทําไปทําไปแล้วมันมียศแน่นอนต่างคนต่างก็มีเหตุผลกับคนละแบบทีนี้อย่างที่ท่านมีบูนพูดนะนะคะจริงจริงท่านก็คิดตลอดเวลาเลยเดี๋ยถามท่านดีหรือไม่ถามดีเพราะท่านเปิดประเด็นมาอ่าก็คิดว่าถ้าหาก ท, ท่านจะพูดว่าการที่ขอภายนะคะท่านก็ยังเป็น คนที่อายุยังไม่มากสําหรับชีวิตในการทํางานถ้าหากว่ายังอยู่ในบริษัทนี้ก็เหลืออายุงานอีกมากเลยกว่าที่จะเกษียณดิฉันเข้าใจว่าเหลืออีกสามสิบปีได้นะคะบบถูกไหมคะทีนี้ท่านคิดว่าอะไรที่ทําให้เราได้อยู่ในบริษัทนี้ที่เลือกแล้วคือบริษัทของการเป็นพระภิกษุที่เป็นบริษัทหนึ่งของพุทธบริษัทนี้นะคะบริษัทของสมณโคดมค่ะออ่าท่านคิดว่าอะไรสําหรับ พระภิกษุที่สามารถอยู่ในนี้ได้นานๆ ท, ทั้งๆที่โลกอื่นเ <c oughs> งนิน <c oughs> เดือนเงินเดือนเงินเดนเท่านั้นถามถามอาตามานะถามว่าคุณท่านผู้ฟังก็เหมือนกันคุณย้ายเงินย้ายงานคุณเพราะอะไรนเะงินเดือนนี้ต้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสามปัจจัยแรกที่คุณจะต้องพิจารณาโอเคไหมปัจจัยที่สองคือเรื่องความก้าวหน้านะปัจจัยที่สามคือเรื่องสวัสดิการท่านคุณพูดถึงนิจตะยพัดถูกไหมคะ เออไม่ใช่นี่ยเรามากําลังจะเปรียบเทียบให้ฟังใครก็ตามนะจะย้ายบริษัทอ่ะหนึ่งความก้าวหน้าสองเงินเดือนสามสวัสดิการใครๆก็คิดอย่างนี้นี่เหรอไหมคุณยมติ๋วจะเปลี่ยนงานจากตําแหน่งนี้ไปตําแหน่งนู้นใครๆก็ตามเถอะถามว่าพระเนี่ยก็คิดอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าเปรียบเทียบเงินเดือนเนี่ยคือทรัพย์เนี่ยคืออะไรคือความสงบในใจของเรานะเงินเดือนนะเงินเดือนของพระคือความสงบในใจของภิกษุรูปนั้น นั่นนี่คือข้อที่หนนะข้อที่2 ส, สวัสดิการสวัสดิการอะไรสวัสดิการก็คือบริการทั้ง8เรามีบินตบัดมีจีวรบางที่บินตบัดได้มากบางที่บินตบัดได้น้อยก็คือสวัสดิการดีหรือสวัสดีการไม่ดีใช่ไหมแล้ว3อัตราการก้าวหน้าของของการทํางานนะมีอยู่2ระบบนะคือถ้าคุณปฏิบัติได้คุณเป็นอาญาบุคคลอันนี้คือความก้าวหน้าของงานของคุณหรืออันที่2ก็คื อ, อตามลําดับภรษา เพนถามว่าเอ้งานแบบเนี้ยความก้าวหน้าก็มีนะสวัสดิการก็ดีนะปัจจัยสี่เราก็ในที่ว่าปัดในทัยโฉเราก็พอมีพอได้นะก็พอใจอยูอ่อ่แล้วก็ยังพูดถึงเงินเดือนเงินเดือนก็ตามความสงบที่เราทํานะเออ <c oughs> มัน <c oughs> ก, ก็ก็ดีนะถตาว่ า, า, า ง, งานนี้นะ <c oughs> สาธุค่ะ <c oughs> แม่ท่านเขา้าใจเปรียบแต่เรางที่มีนะคะท่านเข้าใจไม่มีบางคนเนี่ยคิดในใจนะเดี๋ยวไปบวนดีไหมไปบวชดีไหมมันเบื่อไปหมดมันรู้สึกอยากละอยากว่าง ไปบทดีไหมท่านก็ลองฟังดูดีๆนะคะว่าเงินเดือนที่ว่าในท้าทายสําหรับท่านหรือเปล่าคือความสงบในใจสวัสดิการเป็นที่เพียงพอไหมคือบริการท่านแปดบริการท่านทบทวนอีกทีได้ไหมครบริการแปดของท่านคืออบริการแปดสำคัญสำคัญก็คือมีจีวอเป็นเครื่องบริหารกายมีบินุบาศเป็นเครื่องบริหารท้องอันนี้เป็นสวัสดิการของร้าล่ะนะว่าเออบางที่ก็บินุบาศได้ดีบางที่ก็บินุบาศไม่ได้เงี้ยนะค่ะก็ก็แล้วแต่ตรงนี้ <c oughs> ส่วน อ, อีกเรื่องหนึ่งคือความก้าวหน้าของงาน <c oughs> นะเราก็จะวัดที่ว่าทางคารวะก็จะวัดที่ว่าคุณเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นประหลัดเป็นอะไรพวกนี้ใช่มถ้าทหารก็ต้องว่ากันเรื่อยไปจากพลทหารสูงเลยจนถึงนายพลน ะ, นะ <c oughs> ะเช่นเดียวกันของพระนี่ก็จะมีสองระบบคือระบบอาญาบุคคลขั้นแต่แต่โซดาบันจนถึงอาญาเป็นอาทหารแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือตามภรษาก็แค่นี้ตามจำนวนอายุ ไม่มีใครแซงหน้าได้เลยนะคือตามพรรษ า, ต า, าตามพรรษาจบตามพรรษานี่ อ, อธิบายอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะหมายความว่าคือหมายว่าใครบวชก่อนบวชหลังอะ่ะค่ะอ่าคนที่บวชหลังก็ต้องกราบไหว้คนที่บวชก่อนนั่นเองถึงแม้จะอายุมากกว่าหรอคะอ่าใช่ถูกต้องนะาอายุ<อ>ที่เกิดบนบนโลกใบนี้มากกว่าหากบวชทีหลังต้องไหว้ผู้ที่เกิดในชีวิตของการเป็นสมณะก่อนถูกต้องถูกต้องค่ะ ก็ตามนี้แค่นั้นเองวันก็แล้วข้ามกันได้คือข้ามตรงที่ความสามารถว่าคุณเป็นอาเรียบบุคคลบางคนบวชมาก่อนแต่ยังไม่ได้เป็นอเรียบบุคคลยังไม่ได้เป็นโสดาบันเลยแต่แเระบวชมาทีหลังแล้วจะเป็นบัตรแล้วก็มีแต่ว่าไปดิฉันที่ยินคำว่ากู๊ดเก่าเว้นแอนส์อ่าเป็นธรรมะพีบาลที่ดีอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าคําว่าธรรมะพีบาลจริงๆจยต้องเป็นธรรมะพีบาลแบบที่ท่านพูดแล้วนะคะก็อันนี้ผู้เชี่ยปัญญาติไว้คุณจอมค่ะก็ อันนี้เป็นเป็นลักษณะชีวิตของพระสงฆ์นะคะดันั้น ก, ก็เลยอากลับเรียนถามท่านไปบุญให้เป็นความรู้ทีนี้กลับมาโลกของพวกเราที่อยากจะเดินตามพระสงฆ์นี่ไม่อยากบวชพระละยังอยากอยู่ในบริษัทที่ทํางานอยู่เนี่ยแต่ฉันได้รับความเมตตาในการที่พระคุณเจ้าจะบอกว่ามาทํางานแบบนี้ยังต้องพยายามในการรักษาศีลใช่ไหมคะที่ท่านพูดใช่ใช่ต้องรักษา ความดีของเราไว้เพียก็เป็นความดีอย่างหนึ่งนะค่ะถ้าสมมุติว่าจะพูดกับผู้ที่ยังอยู่ในบริษัทอื่นๆพร้อมๆกันไปดีฉันด้วยเนี่ยท่านจะพูดยังไงดีค่ะเอ่อก็คือความดีจริงๆเราทําได้ทุกที่ค่ะอ่าคนอื่นอาจจะคิดว่าโอ๊ยคนนี้มันโง่มันมันมันมันไม่ได้พูดโกหกคนนี้มันโง่มันไม่ยอมโกงนะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนที่โง่ต่างหากที่โกงคนที่โง่ตัางหากที่พูดโกหก นะเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่เห็นกรรมชั่วที่มันจะให้ผลเนี่ยนะคุณยังหัวเราะออกอยู่แต่เมื่อไหร่กรรมชั่วให้ผลแล้วเนี่ยมันหัวเราะไม่ออกคุณจมติวไอคนที่ทําดีเนี่ยนะที่ว่าคนอื่นถูตราหน้าว่าเราโง่เราโง่เนี่ยนะพอถึงกรรมชั่วให้ผลคนอื่นนะเฮ้ยเราหัวเราะไม่ออกเรายิ่งจะสะดว่าโอ้โหีแล้วฉันไม่ได้ทําอธิบายต้องเตือนนะเตือนตามที่พุทเจ้าเตือนว่าไอความชั่วเราอย่าทํา นะเพราะว่าในสังคมเนี่ยบางทีมันมีคนชวนเราไปทำชั่วคุณชมดิวนะทั้งนั้นที่เราพยายามจะทำดีนะเขาก็มาตราหน้าว่าอันนี้มันโง่เนะี่ยเพราะมันไม่ยอมทำความชั่วมันทำแต่ความดีใช่ไเราก็พยายามที่จะต้องฝืนเขาเรียกอย่างนี้ว่าการถวนกระแสค่ะก็แปลว่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่บริษัทไหนนอกเหนือจากงานที่ทำเป็นประจำแล้วงานที่ต้องทำตลอดไปและต้องพยายามทาก็คือการที่ อยู่ในอยู่ในอะไรดีคะในศีลในธรรมใช่อยู่ในกุศลธรรมอยู่ในกุศลธรรม อ, อ, อยู่ในวงคโคจรที่เป็นบวกนั่นเองค่ะก็ส่วนจะไปคิดทำกันยังไงอันนี้พูดเป็นหลักการรายละเอียดท่านก็ว่ากันไปของท่านเองอลย น, นะแล้วหลักการตรงเนี้มันกว้างมากเลยนะไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรมันก็ทำได้หมดอนะคุณจอมเทีินนึกก่อนเนาะค่ะคุณจะอยู่ในอาชีพเป็นเสมียนเป็นนักการเมือง ยิ่งนักการเมืองข้าราชการระดับผู้ใหญ่นี่ยิ่งต้องมีเลยธรรมะนะคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นนักบัญชีอะไรมีได้หมดเลยเนาะดีมากๆใช้ได้สําหรับทุกๆคนไม่ใั่นเถอะถูกต้องแล้ว <So S 1> ก็จะดีกว่าคนอื่นยังไงเหรอคะ <'Cause> คือสมมติที่ทํางานก็ต้องแข่งขันกันเป็นตามปกตินะคะอืก็กลัวว่าถ้าใช้ธรรมะประกอบไปด้วยเดี๋ยวแข่งไม่ทันเพื่อนอ๋อค่ ะ, ะมันก็จะเป็นตรงที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราของบุคคลที่มีจิตยอย่างนี้เนี่ยนะ คือจิตของเราจะมีะความสว่างมีความใสมีความสบายนะจิตที่สว่างใสบสบายเนี่ยจะสามารถยิ่งแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาปุ๊บเอาให้คนนี้ทําอย่างคิดดูนะคุณโยมติถ้าคุณโยมติเป็นหัวหน้า ง, งานอย่างเงี้ยมีงานสําคัญๆเนี่ยคุณโยมติ๋วจะมอบให้คนกะล่อนที่แบบว่าพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าแต่ว่าทํางานดีหรอกนะแต่ว่าคือเคขาเรียกว่าเป็นคนกะล่อน นะแตเพราะว่าด้วยความกราล่านจึงทําให้ขึ้นมาตรงนี้ได้หรือว่าจะมอบให้คนที่มีความเข้มแข็งทางใจมีมีศีลมีธรรมนะก็ต้องมอบให้คนที่แบบว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ไว้ใจไว้ใจได้นะงานสําคัญสําคัญชนะเช่นเดียวกันคนที่จิตใจเป็นอย่างเนี้ยดูเหมือนอาจจะช้าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีความมั่นคงมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นอาจมาจึงต้องเน้นว่าเอออยู่ในบริษัทก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามคุณเป็นแม่บ้านคุณก็ทําได้นะ เนะีเราตั้งอยู่ในความดีในวิชาชีพที่เราทำอย่าในสักกาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรามีเนี่ยเราเราจะไปได้ฉลุยเฉลุยในที่นี้ไม่ใช่ว่าเร็วนะแต่มั่นคงเนะี่ยค่ะนะคะก็ถ้าถ้าศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ลองทําดูแล้วกันไหมคะผลจะเกิดนี่เป็นเทคนิคในการทํางานอ่าแล้วก็ความเพียรตรงนี้ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นความเพียรทางจิตะนะ่เราใช้จิตของเราเนี่ยทําได้ตลอดเลยในการที่จะ มามามีความก็เลยตั้งใจในการที่ทําอย่างนี้น ะ, ะแล้วเราก็ได้พูดไปแล้วนิด น, นึ่งโดวยว่าการทําอย่างนี้มันอาจจะแรกๆมันอาจจะรู้สึกเหมือนฝืนแต่ทําไปทําไปเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติเองเพรา ะ, ะธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องทวนกระแสนแน่ล ะ, ะค่ะแล้วถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันมีสิ่งเล้าเยอะไม้ก็อยากจะต้องพยายามฝืนอยู่นั่นแหละนะคะแต่จะได้คุณธรรมอีกข้อนึงคือความเพียรไหมคะอ่าถูกต้องความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีแล้ว ต่างกันที่เนื้อกันกว่าที่ความเพียรใช่เมื่อกี้ท่านมาพูดใช่ะจะมีความแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็ความเพียรนี้ก็เป็นหนึ่งในอินทรีย์ทั้งห้าซึ่งถ้าใครประกอบร้อมตรงนี้แล้วก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณสามารถบรรลุได้เร็วด้วยถ้าสมมุติว่าฝ่ายในการเจริญในธรรมการที่มีความเพียรเป็นคุณสมบัติจะช่วยส่งเสริมให้ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินั้นเป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น ต้องค่ะก็วันนี้นวัส ก, การของพระคุณนะคะใเดือนพันค่ะนั่นคือพระภัยบูรณาพิพุนโนจากวัดป่าดอนไหาโศกดอนธานีซึ่งในมอบเทคนิคในการที่จะทําให้การใช้ชีวิตของเรานี้ได้กําไรนะคะคือทํางานไปเราก็คานึงถึงการปฏิบัติในส่วนที่อย่าให้กุศลธรรมหายไปพยายามใช้ความเพียรเพื่อที่จะให้ในการดําเนินชีวิตของเรานั้นไม่มีอกุศลเกิดขึ้น ดิฉัต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันยากทําง่ายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ยากถ้าตั้งใจนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับการเจริญอานาปานาสติที่ท่านมาร์กบอกนะคะว่าพระพุทธองค์สอนว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจถ้าจะหลุดไปกับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเปิดช่องให้อกุศลเข้าเราก็วางแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจกันอีกเสีย และนี่นนคือความปรารถนาดีจากรายการสันสนาสนานะคะดำเนิ น, นรายการโดยสันส น, นาคุณพงเป็นประจําทางสาริวิทยุ FM ครอบครัวข่าว f m ฟเอ็มร้อยหกแฟที่เป็นชื่อของแอปพลิเคชันที่ทดาวน์โหลดไปฟังกันได้ง่ายๆในโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่สามารถที่จะรองรับโปรแกรมนี้ได้นะคะแล้วก็รายการของเราค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องเทศกาลกรินก็สะดวกใจจะ ทำบุญเพื่อสืบทอดประเพณีที่มีมาครั้งพุทธกาลรดร้วยมาจนถึงวันนี้ก็สุดแท้แต่แต่ถ้าจะเป็นที่วัดของพระภิกษุสองรูปซึ่งเมตตามาให้ธรรมะกับพวกเราเป็นประจำวัดป่าดอนไฮสุรอนธานีก็จะทอดกรถิ่นกันในวันที่11พฤศจิกายนนะคะส่วนวัดนาป่าพง ล, ลําลูกาคลองศิษย์นั้นก็จะทอดกระถิ่นกันในวันที่4พฤศจิกายนรายละเอียดทั้งสองวัดนี้ได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสานีวิทยุแล้ว ก็โทรศัพท์กันเข้ามาที่0 2 2 6 9 0 0งเบอร์เดียวกับที่ท่านใช้ในการขอหนังสือุู้ทวจนะและเบอร์เดียวกับที่ท่านใช้ในการทิ้งคำถามเอาไว้ค่ะส่วนคำถามที่ท่านอยากระบุเจาะจงไปถามที่ท่านมาร์กนะคะก็ไปที่เพ e ยวธรรม a .com/ 1 0 6ซึ่งที่นั่นท่านสามารถฟังรายการนี้ย้อนหลังได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสันสีหน้าโพรงลาท่านฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธ ว, ส, วสดีค่ะ